หนังสือเรื่องพุทธธรรมฉบับปรับขยายโดยพระพรมคุณาพรปออประยุตโตภาคหนึ่งมัชเชนธรรมมเทศนาหลักความจริงที่เป็นกลางตามธรรมชาติหรือธรรมที่เป็นกลางตอนสี่ชีวิตควรให้เป็นอย่างไรบทที่หกวิชาวิมุต วิสุทธิ์สันตินิพพานประโยชน์สูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้จากชีวิตนี้ความสุขที่ไม่ต้องหาเมื่อมองกว้างมนุษย์ยอมรับความจริงว่าพวกตนประจนปัญหาทั้งในระดับสังคมและในระดับบุคคลและถ้ามองเจาะลึกลงไปถึงขั้นพื้นฐานก็จะพบว่าปัญหาของมนุษย์ ในระดับสังคมและในระดับบุคคลก็มาจากความจริงอันเดียวกันคือการที่ชีวิตของมนุษย์นั้นโดยธรรมชาติเป็นที่ตั้งของปัญหาจะใช้คําว่ามีศักยภาพที่จะทำให้เกิดปัญหาหรือว่าไม่ปลอดพ้นจากปัญหาก็ได้ทั้งนั้นปัญหาชีวิตของมนุษย์นั้นมีต่างๆมากมายเมื่อพูดตามความรู้สึกให้เข้าใจได้ง่ายก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ดีชั่วหรือดีร้ายและสุขทุกข์ถ้าพูดรบรัดลงไปอีกก็รวมลงในคำเดียวคือทุกข์อย่างคำพูดที่แสดงความรู้สึกเด่นชัดออกมาว่ามีชีวิตอยู่เพื่อหาความสุขก็เป็นการบ่งถึงทุกข์อยู่ในตัวคือบอกว่าจะหนีออกจากความทุกข์ไปหาความสุขและทุกข์นั้นยังอาจส่งผลเกี่ยวข้องถึงความดีความชั่ว และสุขทุกข์ต่อไปอีกหลายชั้นด้วยที่พูดมานี้อย่างอ้อมค้อมนิดหน่อยถ้าจะให้ชัดก็พูดตรงไปที่ความจริงขั้นพื้นฐานกันเลยคือเป็นหลักความจริงง่ายๆว่าทุกข์เป็นสภาวะด้านหนึ่งของชีวิตหรือว่าชีวิตนี้มีทุกขเป็นสภาวะด้านหนึ่งของมันหมายความว่าเป็นธรรมดาตามธรรมชาติของชีวิตนั่นเองที่เป็นสังขาร ซึ่งเกิดมีเป็นไปโดยขึ้นต่อเหตุปัจจัยหลากหลายไม่เที่ยงไม่คงที่ไม่คงทนแปรพรวนเรื่อยไปไม่มีไม่เป็นตัวตนของมันเองอย่างแท้จริงเช่นจะให้คงอยู่หรือเป็นไปอย่างที่ใจปรารถนาไม่ได้ต้องว่ากันไปตามเหตุปัจจัยพูดสั้นๆนี่ก็คือมันเป็นทุกข์เมื่อประมวลให้เห็นง่าย ทุกที่เป็นพื้นฐานตามสภาวะของชีวิตก็พูดรวบรัดด้วยคาว่าจรามรณะหรือแก่และตายหรือเสื่อมโสมและแตกสลายแล้วจากทุกตามสภาวะนี้ก็ตามมาด้วยทุกที่เป็นความรู้สึกต่างๆเช่นความโศกเศร้าความคับแค้นความเสียใจความเพี้ย ร, รําพันในเมื่อตามสภาวะ ชีวิตมีทุกเป็นธรรมชาติพื้นฐานของมันอยู่แล้วการที่จะแก้ปัญหาดับสลายคลายทุกและการที่จะมีความสุขได้คนก็ต้องมีจิตใจที่มั่นคงในการอยู่กับความจริงเริ่มด้วยจัดการให้ชีวิตของตนลงตัวกันได้กับความทุกพื้นฐานนั้นโดยมีปัญญาที่ทำให้จิตเป็นอิสระจากทุกพื้นฐานนั้นหรือให้ใจอยู่กับมันได้สบายๆอย่างใดอย่างหนึง่งถ้าทาถึงขั้นนั้นไม่ได้ ก็ให้ใจอยู่กับมันด้วยปัญญาที่รู้เท่าทันวางใจวางท่าทีถูกต้องอย่างน้อยก็ยอมรับความจริงสู้หน้าเผชิญหน้าความจริงได้ด้วยปัญญาที่รู้เท่าทันความจริงนั้นถ้าคนมีจิตใจที่มั่นคงในการอยู่กับความจริงไม่ได้ถ้าเขาไม่มีปัญญาจัดการให้ชีวิตของตนลงตัวกันได้กับความทุกพื้นฐานนั้นก็กลายเป็นว่าเขาปล่อยให้ทุกพื้นฐานนั้น กลายเป็นปมปัญหาที่แฝงซ่อนอยู่ในตัวเขาเองแล้วเขาก็จะมีชีวิตอยู่แบบปิดกลบปัญหาบังตาจากความทุกข์และหลอกตัวเองปล่อยให้ปมที่ซ่อนอยู่ข้างในนั้นก่อปัญหาซ้อนขึ้นมาไม่รู้จบสิน้นมนุษย์บอกว่าตนปรารถนาความสุขไม่ต้องการความทุกข์แต่แล้วมนุษย์ก็ประสบปัญหาจากวิธีที่จะเข้าถึงความสุขของเขาเอง แทนที่จะแก้ทุกข์สร้างสุขเขาหนีทุกข์หาสุขทุกพื้นฐานที่มีแน่แต่ไม่แก้เมื่อปล่อยไว้ก็เลยกลายเป็นปมแล้วก็ก่อปัญหาซ้อนหลังเรื่อยไปแทนที่จะหมดหรือแม้แต่ลดทุกข์ก็ยิ่งทวีทุกข์ซับซ้อนทั้งข้างในตัวและออกไปปะทะกระทบข้างนอกสำหรับมนุษย์ที่ปิดกลบทุกข์ซ่อนปมปัญหาไว้ข้างในตัวเองนี้เริ่มแรก การหาความสุขก็แสดงอยู่ในตัวถึงความขาดแคลนบกพร่องความบีบคั้นกระวนกระวายหรือภาวะไร้ความสุขอยู่ภายในซึ่งเรียกสั้นๆว่ามีทุกจากนั้นจึงผลักดันให้ต้องออกสแสวงหาสิ่งที่จะเอามาเติมให้เต็มหายขาดแคลนบกพร่องหรือเอามาระงับดับคลายความบีบคั้นกระวนกระวายนั้นและในการสแสวงหาเช่นนี้ก็ปรากฏความขัดแย้งเบียดเบียนกันขึ้น เกิดปัญหาเกี่ยวกับความดีความชั่วและความสุขความทุกข์ในระหว่างมนุษย์พอกพูนขยายวงกว้างขวางออกไปมองอีกด้านหนึ่งปัญหาเกิดจากมนุษย์มีทุกข์อยู่แล้วแต่แก้ไขทุกข์ไม่ถูกต้องจึงระบายทุกข์นั้นออกไปทำให้ทุกข์กระจายเพิ่มขยายปัญหาทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นด้วยความเป็นไปเช่นนี้ ทุกที่เป็นสภาวะติดเนื่องมากับความเป็นสังขารของชีวิตหรือทุกตามธรรมดาของธรรมชาติแทนที่จะถูกแก้ไขกลับถูกละเลยมองข้ามหรือปิดกลบไว้เสียแล้วสุขทุกและปัญหาต่างๆชนิดที่เกิดจากฝีมือเสกสรรผันพิสดารของมนุษยก็เกิดประดังพรั่งผูวิจิตนานประการจนแทบจะบดบังให้มนุษย์ลืมปัญหาพื้นฐานของชีวิตเสียทีเดียวบางคราว มนุษย์เองยังคิดหลงไปด้วยซ้ำว่าหากลืมมองปัญหาพื้นฐานของชีวิตนั้นเสียได้ก็จะสามารถหลุดพ้นไปจากความทุกข์และชีวิตก็จะมีความสุขแต่ความจริงยังคงยืนยันอยู่ว่าตราบใดมนุษย์ยังไม่สามารถจัดการกับปัญหาพื้นฐานแห่งชีวิตของตนยังวางตัววางใจหาที่หลงไม่ได้กับทุกถึงขั้นตัวสภาวะตราบนั้นมนุษย์ก็จะยังแก้ปัญหาไม่สาเร็จ ยังหลีกไม่พ้นการตามรังควานของทุกไม่ว่าจะพบสุขขนาดไหนและจะยังไม่ประสบความสุขที่แท้จริงซึ่งเต็มอิ่มสมบูรณ์ในตัวและจบบริบูรณ์ลงที่ความพึงพอใจอย่างไม่คืนคลายไม่กลับกลายส้รรายทุกพื้นฐานที่หลบเลี่ยงและยังไม่ได้แก้นั้นกลับจะกลายเป็นเงื่อนปมซ้อนอยู่เบื้องหลังคอยส่งอิทธิพลออกมาบีบคั้นรุนเรา ให้การแสวงหาและสวยสุขต่างๆเป็นไปอย่างเร่าร้อนกระวนกระวายไม่รู้จักเต็มอิ่มและไม่มีความแน่ใจจริงขาดความมั่นใจที่โปร่งโลง่งพร้อมทั้งส่งผลในทางจริยธรรมเกี่ยวกับความดีความชั่วเช่นเพิ่มทวีการแย่งชิงเบียดเบียนให้แพร่หลายและรุนแรงยิ่งขึ้นด้วยพูดอีกไวยะหนึ่งว่า สร้างความกดดันให้ทุกแฝงขยายตัวเพิ่มขีดระดับสูงตามขึ้นไปการดำเนินชีวิตก็คือความพยายามที่จะแก้ปัญหาของชีวิตหรือการหาทางปลดเปลื้องไถ่ถอนทุกข์แต่ถ้าไม่รู้วิธีแก้ไขหรือวิธีปลดเปลื้องไถ่ทอน ท, ที่ถูกต้องการแก้ปัญหาก็กลายเป็นการเพิ่มปัญหาการปลดเปลื้องไถ่ถอนทุกข์ก็กลายเป็นการสะสมทุกข์ยิ่งพยายามดาเนินไป ปัญหาหรือทุกข์ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นกลายเป็นวงจรและเป็นวงจรที่ยิ่งหนายิ่งเข้มข้นยิ่งซับซ้อนขึ้นทุกทีเรียกโดยภาพพจน์ว่าเป็นวังวนแห่งปัญหาและการเวียนว่ายอยู่ในทุกข์สภาพเช่นนี้คือความเป็นไปแห่งกระบวนธา ร, รแบบสังสารวัรหรือวังวนแห่งการเวียนว่ายอยู่ในทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในหลักปฏิจจสมุบาท ฝ่ายสมุทยวาระหรืออนุโลมปฏิจจสมุปบาทแสดงให้เห็นว่าปัญหาหรือความทุกข์ของมนุษย์เกิดขึ้นตามกระบวนการแห่งเหตุและผลอย่างไรถ้ามนุษย์อยู่กับความจริงรู้เข้าใจทุกตามสภาวะของมันไม่ซ่อนปัญหาไม่ปิดตาไม่หลอกตัวเองมีใจลงตัวกับทุกนั้นตามที่มันเป็นของมันได้ นอกจากว่าเขาจะไม่มีปมซ้อนข้างในที่จะก่อปัญหาใหม่ที่จะขยายปัญหาก่าวแล้วปัญญาที่เขามีเป็นพื้นฐานนั้นก็จะพัฒนาขึ้นไปมาปลดปล่อยจิตใจของเขาให้เป็นอิสระแม้แต่จากทุกที่เป็นสภาวะพื้นฐานของชีวิตด้วยโดยที่ว่าทุกขที่มีเป็นสภาวะตามธรรมดาของมันในธรรมชาติก็เป็นเพียงทุกข์ของธรรมชาติตามธรรมดาของมันไปไม่มีผลที่จะก่อปัญหา ทำให้เกิดทุกข์ขึ้นในจิตใจของเขายิ่งกว่านั้นแม้แต่ในระหว่างที่ยังไม่เป็นอิสระสิ้นเชิงเมื่อไม่มีเงื่อนปมของปัญหาจากทุกข์ที่บังตาไว้นั้นเขาจะเสวยความสุขใดก็เสวยได้เต็มอิ่มสมบูรณ์ตามภาวะที่มีที่เป็นของมันนั้นและพร้อมกันนั้นโอกาสก็เปิดให้ในการที่คนจะพัฒนาความสุขขั้นต่างๆได้มากมายมีความสุขที่ประณีตยิ่งขึ้น สุขที่เป็นอิสระมากขึ้นสุขที่เต็มอิ่มมากขึ้นความสุขที่สมบูรณ์ปลอดมลพิษมากขึ้นความสุขสัมพัสที่โปร่งโล่งมากขึ้นไปตามลําดับจนถึงความสุขที่ไร้ทุกข์แท้จริงหนทางแห่งความสุขเปิดกว้างเต็มที่ไม่มีกรอบกัน้นหรือขีดขั้นที่จะจํากัดใดๆว่าโดยหลักพื้นฐานพระพุทธเจ้าเมื่อทรงแสดงปฏิจจสมุปบาทสมุทัยวาระ อันเป็นที่มาของปัญหาหรือความทุกข์แล้วก็ไม่ได้ทรงหยุดอยู่เพียงนั้นแต่ได้ทรงแสดงปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาระอันเป็นกระบวนกา ร, รฝ่ายวิวัตตะคือฝ่ายดับทุกข์หรือแก้ไขปัญหาต่อไปอีกด้วยเป็นการชี้ให้เห็นว่าทุกข์หรือปัญหาของมนุษย์เป็นสิ่งที่แก้ไขได้และทรงแสดงวิธีแก้ไขไว้ด้วยยิ่งกว่านั้นยังทรงชี้ต่อไป ถึงภาวะที่เลิดล้ำสมบูรณ์ซึ่งมนุษย์สามารถมีชีวิตที่ดีงามและเป็นสุขแท้จริงได้โดยไม่ต้องฝากตัวขึ้นต่อปัจจัยภายนอกไม่ต้องเอาสุขทุกข์ของตนไปพิงไว้กับสิ่งทั้งหลายที่เป็นสังขารให้สิ่งเหล่านั้นกำหนดซึ่งสิ่งเหล่านั้นแม้แต่ตัวมันเองก็ทรงเอาไว้ไม่ได้ไม่ต้องไปพูดถึงว่าจะไปช่วยรับพิงรับยันให้ใครทรงแสดงให้เห็นว่าภาวะเช่นนั้นมีอยู่ และเป็นไปได้ภาวะนั้นเป็นสิ่งที่ให้เกิดคุณค่าและความหมายแก่ชีวิตได้อย่างแท้จริงเพราะทำให้ชีวิตเป็นอิสระเป็นไทยแก่ตัวไม่ต้องขึ้นกับสิ่งภายนอกทั้งนี้ต่างกับภาวะอย่างอื่นภายนอกเช่นความสุขเป็นตน้นที่มนุษย์แสวงหากันอยู่ซึ่งเมื่อมนุษย์รับเอาคุณค่าและความหมายจากมันมันก็ทาให้ชีวิตของมนุษย์สูญเสียคุณค่าหมดความหมายไปด้วย เพราะมันเองไม่มีคุณค่าและความหมายที่จะเป็นหลักให้แก่ใครด้วยว่าตัวมันเองก็ขึ้นกับสิ่งอื่นๆต่อไปอย่างน้อยที่สุดมันก็ทำให้ความเป็นอิสระความเป็นไทยของมนุษย์หลุดออกไปอยู่ในกํากับของมันแม้ว่าในเบื้องต้นมนุษย์จะยังไม่สามารถเข้าถึงภาวะวิวัตตะนี้ได้โดยสมบูรณ์แต่เมื่อเริ่มต้นดาเนินชีวิตตามวิถีทางแห่งการแก้ปัญหาที่ถูกต้องนี้แล้ว เมื่อสามารถตัดทอนกำลังของกระบวนกา ร, รแห่งปฏิจจสมุปบาทสมุทัยาวาระและเสริมกำลังกระบวนกา ร, รตามแนวปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาระได้มากขึ้นเท่าใดก็จะสามารถแก้ไขปัญหาเฮินห่างจากทุกและมีชีวิตที่ดีงามได้มากขึ้นเท่านั้นนอกจากนั้นยังจะทำให้สามารถเสวยสุขแบบเสพโลกได้อย่างรู้เท่าทันไม่สยบไม่ตกเป็นทาส ไม่ถูกกระแสะความผันผวนของมันทำร้ายเอาไม่เป็นเหตุก่อทุกข์หรือก่อปัญหาทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นและยังจะช่วยให้มีชีวิตที่เกื้อกูลแก่กันในสังคมมากขึ้นตามลำดับอีกด้วยในที่นี้จะแสดงแต่กระบวนธรรมปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาระรอมทั้งภาวะแห่งความดับทุกข์ภาวะพ้นปัญหาหรือไม่เกิดปัญหาเลย ซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามโดยตรงกับกระบวนธรรมปฏิจจสมุปบาทสมุทยะวาระพร้อมด้วยภาวะแห่งทุกข์ที่กล่าวมาแล้วเท่านั้นส่วนการประพฤติปฏิบัติและการดำเนินชีวิตที่เป็นวิธีแก้ปัญหาหรือผ่อนคลายทุกข์ในระหว่างเพื่อความก้าวหน้าไปตามลำดับจนถึงจุดหมายคือภาวะดับทุกข์หรือพ้นปัญหาโดยสิ้นเชิงในที่สุดจะยกไปกล่าวข้างหน้าในตอนต่อไป